จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านใส่ใจนะใส่ใจสนใจฟังธรรมะธรรมะแทๆ้ๆหาการถ่ายทอดยากสมัยหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เข้าไปหาท่านถึงตัวท่านท่านถึงจะสอนให้ถ้าสอนวงกว้างแบบนี้ท่านก็สอนให้ทาทานให้ถือศีลสอนท่านนั้นแหละ ถ้าไปอยู่วัดก็สอนเรื่องนั่งสมาธิถ้าเข้าถึงตัวท่านจริงๆเอาเรื่องการปฏิบัติของเราไปรายงานจริงๆท่านถึงจะสอนในขั้นเจริญปัญญาให้นี่ธรรมะในขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงสอนไปก็ป่วยการตอนหลวงพ่อเอาธรรมะในภาคปฏิบัติแท้ๆเนี่ย ในขั้นเจริญปัญญาแท้ๆมาสอนในวงกว้าง<ๆ>ครูบาอาจารย์มาวองค์ท่านยังท้วงเลยท่านบอกประโมทสอนยากไปสอนฆราวาสนะให้มันทำทานให้มันถือศีลแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วถือศีลยากไหมใครถือศีลห้าข้อได้ได้เป็นปกติเลยไม่ผิดเลยไม่โกหกเลยนะเพอร์เจอร์ไหมมีเพอร์เจอร์ไหม มีเพืเจอเนี่ยสีข้อสดัางพลอยไปหน่อยแลพูดเพื่อเจอหลวงพ่อได้ยินครูบาอาจารย์บอกนะว่ามันยากไปสําหรับคารวะเราก็ไม่เถียงครูบาอาจารย์นักปฏิบัติครูบาอาจารย์ว่าไงเราเคารพแต่ไม่เชื่อการเคารพกับการเชื่อคนละเรื่องกันอย่างเราไม่ร่วงเกินครูบาอาจารย์ เรารู้ว่าท่านดีจริงแต่ท่านสอนท่านบอกว่าอย่าไปสอนขราวาสเลยมันยากไปหลวงพ่อไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เป็นขราวาสรู้ว่าฆราวาสก็ทำได้นะถ้าฆราวาสมีโอกาสได้รู้วิธีที่ฆราวาสปฏิบัติไม่ได้สักทีก็เพราะไม่รู้วิธีถ้าได้รู้วิธีแล้วเนี่ยมันไม่ยากหรอก จะเอาธรรมะขั้นไหนขั้นไหนก็พอทำได้ยกเว้นขั้นท้ายๆนะคราวาสทำยากกว่าพระเพราะนั้นการที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นโอกาสที่หาได้ยากงั้นเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยที่เหลือถัดจากนี้ไปชั่วโมงนิดๆหลวงพ่อเทศประมาณ40นาที ที่เหลือส่งกันบ้านอีกนิดหน่อยเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้ตักตวงเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจเราให้มากที่สุดที่จะทำได้เพื่อให้เรารู้วิธีปฏิบัติเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติทำถูกแล้วก็ขยันทาไม่นานเราก็จะได้ผลถ้าทำผิดขยันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผล อย่างเราอยากไปพัางงาเรานั่งเรือลงทางใต้ไปไม่ถึงเนียยิ่งขยันแจวเรือไปมากมากนะยิ่งไกลไปเรื่อยๆงั้นจุดแรกเลยต้องรู้วิธีรู้ว่าเราจ ะ, ป, ะปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรต้องรู้พอรู้แล้วลงมือทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คล้ายๆพอรู้เส้นทางที่ถูกแล้วขยันเดินมันก็ถึงเป้าหมายเร็ว ที่พวกเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมนะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติตามยาถากรรมหรืออย่างมากก็ไปทําบุญแล้วก็อธิษฐานสาธุนิพพานปัจโยโหตุขอนิพ p a น nippan เป็นอะไรไม่รู้ขออะไรที่ไม่รู้จักเลยเสร็จแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ไม่รู้เต้นไปด้วยคําว่าไม่รู้วันนี้เรามาฟังเพื่อให้รู้นะว่า เราปฏิบัติทำปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วมีผลยังไงคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นชัดเจนไม่มีอะไรคลุมเครือเลยสิ่งที่เราจะต้องมาทําขึ้นมาให้ได้นะคือการพัฒนาจิตใจของเราเองการพัฒนาจิตใจให้มันไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นเองจุดหมายปลายทางก็คือความพ้นทุกข์สิ้นเชิง การจะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็มีวิธนะีมีวิธีปฏิบัติอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนกันศา ส, สนาพุทธไม่ได้เป็นชาวพุทธพวกเราไม่ได้เป็นชาวพุทธขึ้นมานะเพื่อว่าจะได้ร่ำรวยจะได้ไปเกิดที่ดีๆไปเป็นเทวดาไปเป็นพลมคนรวยก็ยังทุกอยู่เทวดาเป็นพลมก็ยังมีการตาย มีการพลัดพรากจากสิ่งที่รักได้ตัวเองก็อยางตายได้เราไม่ได้เอาอะไรที่มันไม่มั่นคงขนาดนั้นสิ่งที่พวกเราปฏิบัติทำนะก็คือเรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเฉลิงพ้นทุกข์ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่รอไปตายแล้วค่อยไปพ้นทุกข์ธรรมะของพระเจ้านะั้นลึกซึ้งนะไม่ใช่ว่าทำดีไปเถอะแล้ววันหนึ่งพ้นไปเองนั้นตื้นเกินไป งั้นเรารู้จุดหมายปลายทางแล้วว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อความพ้นทุกขเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์เราจะพ้นทุกได้นะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัตินะมีสองส่วนเป็นการพัฒนาใจเพื่อไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยมีอยู่สองงานงานที่หนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานงานที่สองเรียกว่ามิปัสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเรา ให้สงบให้ตั้งมั่นให้อยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อว่าเราจะได้มีกำลังมีขีดความสามารถที่จะทำงานที่สองคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการฝึกจิตใจให้มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกได้สัมาราทิติถ้าเรามีสัมาราทิติมีปัญญาที่ถูกต้องแล้วจิตจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยตัวของจิตเอง ไม่มีใครสั่งจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตจะบรรลุของจิตเองถ้าปัญญาของเราแก่รอบแล้วเพราะั้นงานที่เราจะฝึกนะมีสองส่วนส่วนแรกเป็นการฝึกให้จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อจะได้มีแรงสำหรับการเจริญปัญญางานแรกนี่เรียกว่าสมถะอมตะงานที่สองคือการพาจิตซึ่งสงบตั้งมั่นแล้วเนี่ย ให้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเมื่อเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจจ น, จนจิตเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่าได้สัมมาทิฏฐิคือรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์เมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัยคือละตัณหาละความอยากเมื่อไรละความอยากได้ละตัณหาได้ใจหมดความที่รนเมื่อนั้นนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่ได้มีภาพพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าแถวอยู่อันนั้นเป็นนิมิต ท, ทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวอะไรกับนิพพานของพระพุทธเจ้าเลยนิพพานคือสภาวะที่สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนเร่าร้อนปลุงแต่งของจิตใจนิพพานสิ้นความยึดถือในรูปนามและในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดกระทั่งจิตที่จะสัมผัสพระนิพพานเนี่ยไม่ยึดกระทั่งพระนิพพาน เนี่ยเราจะต้องฝปฏิบัตินะด้วยการรู้ทุกคือรู้ความจริงของรูปนามกายใจเมื่อรู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วมันจะละสมุทรไทยคือมันจะละตัณหาละความอยากได้โดยอัตโนมัติเมื่อไร่ละความอยากได้แล้วเมื่อนั้นเราจะแจ้งนิโรธหรือแจ้งนิพพานนิพพานนั้นคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากใจของเราเต็มไปด้วยความหิว ใจของเราหิวอารมณ์ตลอดเวลานะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากจะได้เรื่องราวสนุกสนานทางใจเนี่ยใจเรามันมีความหิวมีตัณหามันก็ดิ้นรนอยากเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปปัตนหาอยากได้ยินเสียงเรียกสัทธาตัณหาอยากได้กลิ่นคันธาตัณหาอยากได้รสละสตัณหาอยากมีโภถภะมีธรรมรมณ์นะ อยากได้อารมณ์ทางใจที่ดีเรียกว่าทำมาตัญหานั้นตัญหาก็คือความดิ้นรนของใจที่มันหิวมันอยากเมื่อใจมันหิวใจมันไม่มีความสุขมันดิ้นใจที่มันดิ้นรนด้วยความหิวด้วยตัญหานั่นแหละมันไม่เห็นพระนิพพานถ้าเมื่อไหร่มันหมดแรงดิ้นนะมันหยุดทำลายตัญหาลงไปแล้วมันละตัญหาเมื่อนั้นนิพพานจะปรากฏ และสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้นะว่าเเราจะมาพัฒนาจิตใจของเราแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงขั้นในการพัฒนาจิตใจเราต้องมีการฝึกพื้นฐานสะก่อนพื้นฐานของคนซึ่งจะเตรียมพัฒนาจิตใจเนี่ยก็คือการจัดระเบียบกายวาจาของเราให้เรียบร้อยก็คือเราต้องมีศีลห้าศีลนั้นขอหข้อเท่านั้นไม่ต้องศีลแดนะไม่ต้องศีลสิบไม่ต้องศีลอยบเจดไม่ต้องหรอกศีลนั่นแหละสาคัญที่สุด ถ้ามีศีลห้าได้ก็มรรู้มากผลได้นะจะได้โสดาสกตาคาเนี่ยไม่ยากแล้วก็ถ้าจิตเราละเอียดขึ้นไปนะมันถือศีลได้ละเอียดขึ้นไปเองนะอย่างได้อนาคาเนี่ยถือศีลแปด น, นี่เป็นเรื่องปกติเลยธรรมดาศนะีลมันจะดีขึ้นไปเองแต่ว่าเราถือศีลห้าไว้ก่อนการถือศีลห้าเนี่ยคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะไม่เบียดเบียนประทุษร้ายร่างกายชีวิตเขาเนีย่ยศีลข้อหนึ่งเวลาเราฝึกปฏิบัตินะเราไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ร่วงเกินชีวิตร่างกายเขาฝึกไปเรื่อยกระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ไม่ทําฝึกนานนานไปนะใจเราจะเกิดความเมตตาถือศีลไดนะ้ไม่ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าคนไม่ฆ่ากระทั่งตัวเอง แถมใจยังเกิดความเมตตาไม่นจะเมตตาอัตโนมัตินะมันจะมองคนอื่นมองสัตว์อื่นนะีด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรเห็นอกเห็นใจถ้าเรารักษาศีลข้อสองฝึกเรื่อยเลยเราไม่เอาของคนอื่นพอเราพัฒนามากกว่านั้นเราจะรู้จักให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลข้อสองให้ดีนะต่อไปเราจะให้ทานได้อย่างสบายใจเราจะพบว่าเอาของคนอื่นเขามีความทุกข์ถ้าให้คนอื่นได้มีความสุข เบียดเบียนประทุสลายร่างกายคนอื่นมีความทุกข์มีความเมตตาต่อคนอื่นสัตว์อื่นมีความสุขเราก็จะพบว่าอย่างเราไม่ประทุสลายลูกเมียเขาเป็นสิ่งที่เขารักเนี่ยพอเราไม่ปริทุสลายนั้นเราซื้อสัตว์อยู่ในคู่ของเราเราได้ความสันโดษเราได้ธรรมะคือความสันโดษมาเรายินดีพอใจในคู่ของเราเองคนที่คิดจะนอกใจภรรยาตลอดเวลานะจิตใจไม่สงบสุข ันที่ซื่อสัตว์ในคู่ของตัวเองสงบสุขนะนึกออกไหมแต่งง า, า, า, า, านนานๆนะพาเห็นหน้าภรรยาแล้วจิตใจเฉยๆอุเบกขาเลยสงบไม่หวือหวาถ้าเจอสาวๆนะกระดีก็ะด้าใจแกว่งไปแกว่งมาเนะีนะ่ยนะี่เราฝึกเรามีศีลข้อสามนะเราจะได้ความสันโดษมาถ้าเรามีศีลข้อสี่ไม่โกหกหลอกลวง น, นานๆเราจะได้สัจจนะเราจะได้ธรรมะมันด้วยคือสัจจะ ข้อ1ไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายคนอื่นข้อ2ไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของคนอื่นนันเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารักคือตัวของเขาเองทรัพย์สมบัติของเขาลูกเมียของเขาชื่อเสียงเกียรติยศของเขาอะไรนี่นะหรือข้อ4ข้อ4เนี่ยบางทีเราก็ใส่ร้ายเขานะทําลายชื่อเสียงเกียรติยศเขาหรือบางทีก็พูดให้เขาฆ่าตัวตายเนี่ยทำให้เขาฆ่าตัวตายด้วยการพูดเอานะอย่างนี้ก็ถือว่าผิดศีลทั้งข้อ4ทั้งข้อ1เลยนะ หรือปฏทุสไลด์ล่อหลวงให้เขาเสียทรัพย์เนี่ยช่วงชิงทรัพย์เขาเนี้ยข้อ4ข้อเดียวเนี่ยทำผิดศี่ข้อหนึ่งสสได้หมดด้วยทําได้ทุกข้อเลยยิ่งข้อ5เนี่ยประทุสไลด์ตัวเองทําให้ตัวเองขาดสติถ้าเราไม่กินเหล้าเมายานะเราพยายามฝึกตัวเองเนีเราจะได้สติสัมปมชัญญะได้ธรรมะคือสติสัมปชัญญะงั้นให้พวกเราตั้งใจรักษาศี่ห้าไว้ เราจะได้ธรรมะที่ดีหลายอย่างเราจะได้ทานบารมีนะเราจะได้เมตตากรุณาเนี่ยอย่างเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นนสิ่งที่เราได้ได้เมตตากรุณาเราไม่ไปลักทรัพย์เขานะใจมนจะโน้มเอียงไปทางเสียสละได้จะทำทานได้ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองนี่เป็นสันโดษนะพูดแต่ความจริงพูดที่มีประโยชน์นะพูดถูก ด้วยความเมตตานะพูดเหมาะสมพูดภาษาไม่ห ย, บยาบคายอะไรเงี้ยนะมีเงื่อนไขนี่เป็นเป็นการที่ใจเรารักษาสีข้อสีนะเราจะได้สัจจะพูดไรคนก็เชื่อเป็นบารมีของเรานะคนที่โกหกอ่ะพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อมันไม่มีบารมีไม่มีสัจจะเราถ้าพูดแต่ความจริงเราจะเกิดบารมีนะพูดไรคนก็เชื่อง่ายๆเเพรานะาเรามีสัจจะ เนี่ยถือศีลไว้นะแล้วมันจะเกิดสมาธิง่ายแล้วเกิดคุณงามความดีหลายอย่างคนที่คิดจะทําร้ายคนอื่นจิตไม่สงบคิดจะรักทรัพย์จิตไม่สงบคิดจะผิดลูกผิดเมียเขาจิตไม่สงบนะคิดจะใส่ร้ายป้ายสีเขาด่าว่าเขาจิตไม่สงบคิดจะกินเหล้าเมายาจิตไม่สงบเมื่อเรามีศีลห้าไว้ก่อนเราจะฝึกให้จิตใจสงบได้ง่ายตัวนี้สําคัญนะชาวพุทธทุกวันนี้ทิ้งศีลห้าไปหมดแล้ว เราไปเกิดมาตรฐานที่เลวๆขึ้นมามากมายอย่างแบบคอร์รัปชันก็ได้ขอให้มีผลงานเถอคอร์รัปชันก็ได้อันนั้นไม่ใช่ชาวพุทธแล้วชาวพุทธเนี่ยคอร์รัปชันไม่ได้นะวิธีการผิดพก็ใช้ไม่ได้แล้วนั้นพวกเราต้องรู้จักนะพวกเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าอย่างน้อยรักษาศีลหแล้วใจเราจะมีความสุขแล้วใจเรามีความสุขเราจะสงบง่ายอใจเรามีความสงบง่ายเราก็มาพัฒนาใจของเราต่อวิธีฝึกให้จิต มีความสุขความสงบมีความตั้งมั่นเนี่ยก็คือการฝึกสมาธินั่นเองวิธีฝึกสมาธินั้นน่ะทำไม่ยากหรอกนะเคล็ดลับมันมีเราต้องมีความสุขถ้าเรามีความสุขสมาธิถึงัดเกิดต่อไปนี้ลองทดลองนะยิ้มหวานหวานยิ้มซิยิ้มหวา น, วา น, ย, ย, วานยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มให้ใจมันเปิดกว้างเลยยิ้มแบบยิ้มสบายมีความสุข บางคนยิ้มไม่มีความสุขนะยิ M ้มอย่างนี้นะยิ네้มด้วยความเครียดแค้นเพราถูกพ่อแม่บังคับมาฟังเทศเทศแล้วบอกให้ยิ้มนลหือแม่สกิดให้ยิ้มแล้โอ้ไม่อยากยิ้มสังเกตไหมตอนที่เรายิ้มนะใจเราคลายตัวใจมันจะผ่อนคลายนะเวลาที่ใจผ่อนคลายแล้วเนี่ยเรารู้กรรมฐานสักอย่างหนึ่งด้วยใจที่ผ่อนคลาย อย่างเราจะรู้ลมหายใจนะเราก็รู้ลมหายใจด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจะดูท้องผองยุบก็ดูด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายเจะพุทโธจะบริกรรมอะไรก็ตามบริกรรมไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายพุทโธพุทโธพุทโธด้วยใจที่มีความสุขหายใจไปด้วยใจที่มีความสุขอย่าไปเริ่มต้นด้วยการทําใจให้เครียดเครียดนักปฏิบัติเกือบร้อยลร้อยนะพอบอกให้เริ่มปฏิบัติเนี่ยต้องทําตัวเองให้เครียดก bon ่อนเริ่มต้นด้วยการบังคับร่างกาย ต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้เดินกระเพกกระเพกอยู่ไม่ได้ต้องเดินสวยๆเดินท่านั้นท่านี้นี่ฟุง้งซ่านทั้งหมดเลยหรนะือพอบอกให้นั่งสมาธิอา้าวนั่งสมาธิสิเอาทุกคนลองนั่งสมาธิดูลองดูสิเห็นไหมต้องขยับเห็นไหมตอนนี้นั่งอยู่หรือยังตอนนี้ก็นั่งอยู่แล้วสมาธิไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งนะสมาธิอยู่ที่ใจยิ้มหวานก่อนเห็นร่างกายมันนั่ง เห็นร่างกายมันหายใจไหเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าไปจ้องใส่ตัวลมนะอย่าจ้องลมหายใจให้เห็นทั้งตัวนี่แหละมันหายใจแต่เห็นด้วยใจที่เปิดกว้างด้วยใจที่สบายแป๊บเดียวจิตก็สงบนะหายใจสองทีก็สงบแนละ้วนี่ยทำให้ดูนี่อันนี้มากไปหน่อยลึกไปหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานเริ่มเคร่งเครียดแล้วรู้สึกไหม ไม่ได้เรื่องแล้วมันชักจะจริงจังมากไปเรายกมือซิยกมือข้างขวาขึ้นเอามือลงยกข้างซ้ายสังเกตไหมใจตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันละรู้สึกไหมตะกี้ตอนที่เริ่มนั่งสมาธินะใจเริ่มนิ่งนิ่งนิ่งหดหดหหดเข้ามาอย่าไปทำสมาธิแบบนั้นไม่สงบง่ายหรอกนะเครียดตปลเปล่าตอนนี้ใจกาลังสบาย เห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายเราดูซิร่างกายตอนนี้หายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้รู้ไปด้วยใจที่สบายนะเนี่ยฝึกทุกวันทุกวันนะลองทำดูเนียวนี้แหละเรียกว่าอานาปนสติคือมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านี่คืออนาปนสตินะไม่ใช่จ้องอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวถ้าจ้องอยู่ใส่ลมนะมันคือกสินลมนะจะกลายเป็นกสินลมไป มันจะไม่ใช่ตัวอนาปนาสติแท้อนาปนาสติแท้แท้ก็คือหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกด้วยใจที่สบายรู้สึกด้วยใจที่ผ่อนคลายพวกเราหลายคนยังติดสมาธิอยู่นะยางติดสมาธิอยู่เวลาคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยใจมันจะขมวดเข้ามารวบข้ามำจะแน่นแน่นถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วแน่นให้รู้เลยว่าผิดแน่นอนจิตที่แน่นเป็นอกุศ ล, ลจิตไม่ใช่กุศล จิตที่เป็นกุศลนั้นเบานุ่มนวนอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานไม่ขี้เกียจขี้คลานซื่อตรงในการรู้อารมณ์หมายถึงว่ามีความสุขเกิดขึ้นก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้รู้ซื่อๆไม่ใช่ว่าจะเอาอันหนึ่งเจาบเกลียนอันหนึ่งเนี่ยเราต้องทําใจของเราอย่างนี้รวบใจมากไปเนี่ยเนี่ยอย่าไปดึงมันเข้ามาสินะเอออย่าไปดึงมันเข้ามาอย่างเงี้ย ถอนใจสักทีงถอนใจเป็นไหมถ้าหากภาวนาแล้วนะรู้สึกอึดอัดนะหลวงพ่อบอกเครียดรับถอนใจแรงๆเลยอย่า <sighs> งนี้เลยนะมันจะคลายเลยธรรมชาติเนี่ยช่วยเราอยู่แล้วเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะถอนใจนะเคยเป็นไหมถอนใจเป็นไหมเวลาเครียดมันจะถอนใจใช่ไหมถอนใจมันจะคลายนึกออกไหมนี่แหละเวลาภาวนาถ้ามันเครียดนะ <groans> ไม่ต้องวางฟอร์มว่าฉันเป็นนักปฏิบัตินะถอนใจมันแรงๆเลยใครก็ว่าจะว่าภาวนาไม่เป็นก็เรื่องของเขาเพราใจเราคลายแล้วเราก็ามาดูใหม่เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้ไปด้วยใจที่สบายไม่ใช่จ้องที่หลมนะแต่เห็นร่างกายนี้หายใจรู้มันทั้งตัวนี่แหละมันกาลังหายใจอยู่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาสงบด้วยแล้วก็ตั้งมั่นเป็นคนดูได้ด้วย แล้วถ้าเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ย iento, มันจะต่อเข้าสู่ขั้นการเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญา น, านั้นจะเริ่มต้นด้วยการแยกรูปนามนะปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่ one, one, รูปพองอันหนึ่งรูปยุบอันหนึ่งนะรูปยกอันหนึ่งรูปย่างอันหนึ่งอะไรนี้ไม่ใช่ไอ้นั่นมันแยกรูปกับรูปนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยแยกรูปกับนามได้นะร่างกายหายใจอยู่ ใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูใจที่เป็นคนดูเนี่ยสบายๆอยู่นะสบายๆปลอดโปร่งโล่งเบาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะเราจะได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นแล้วก็เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาคือเราจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึง่งใจก็อยู่ส่วนหนึง่งกายกับใจนี้เป็นคนละอันกันธรรมะตรงนี้เป็นธรรมะที่เข้าสู่ สรรมาระดับสูงแล้วนะธรรมะระดับสูงแล้วคือขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นจะเริ่มจากการแยกรูปแยกนามนะนี่บางคนนะสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่รู้จักรูปนามแต่บารมีเขาเต็มบารมีเขาเต็มแล้วนะเขาได้ยินพระพุทธเจ้าเทศอะไรนิดๆหน่นนอยๆเขาได้โสดาเลยแต่ไม่เคยรู้จักการแยกรูปนามก็มีนะอย่างอนาถปิทิกะบารมีมากสร้างบารมีมานาน ได้ฟังธรรมะมของพระพุทธเจ้าก็ได้พระโสดาแล้วอยู่มาจนแก่นะไปสร้างวัดให้ถวายพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําไปเวลาเข้ามาที่วัดเนี่ยจะคอยดูตรงไหนพังตรงไหนจะต้องซ่อมตรงไหนจะต้องขยายสนใจแต่สิ่งเหล่านี้เวลาทํากรรมฐานสงสัยอะไรขึ้นมาจะไม่ถามพระพุทธเจ้าเกรงใจกลัวพระพุทธเจ้าเหนื่อยพระเจ้านะบอกกับพระนรนเลยว่าอนาถพิธิกาเนี่ยเกรงใจในเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจ พุทธเจ้าตรัสรู้มาเพื่อจะมาสอนธรรมะอนาถพินทิกาเกรงใจกลัวท่านจะเหนื่อยไม่กล้าถามธรรมะเนี่ยท่านได้บอกว่าเกรงใจในเรื่องไม่ควรเกรงใจอนาถพินทิกานะ่ะมีชีวิตอยู่จนแก่ตอนแก่แล้วเนี่ยเจ็บหนักใกล้จะตายให้คนเป็นนิมนต์พระสารีบุตรมาดูสิไม่ น, นิมนต์พระพุทธเจ้าเห็นไหมเกรงใจนิมนต์พระสารีบุตรมาเทศให้ฟังสารีบุตรสอนเรื่องขันห้า รูปคือร่างกายนี่เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือใจหรือจิตที่รับรู้อารมณ์ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราเนี่ยสอนอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอาณาถิริกาได้ยินแล้วร้องไห้นะ ร้องไห้เลยต่อว่าพระสารีบุตรบอกตอนที่ผมแข็งแรงอยู่ทำไมท่านไม่สอนธรรมะอันนี้ถ้าท่านสอนธรรมะอย่างนี้นะผมรู้เรื่องแยกรูปแยกนามนะผมคงบรรลุธรรมที่สูงกว่านี้อนนี้ผมไม่สบายมากแล้วผมภาวนาต่อไม่ไหวแล้วเสียโอกาสแล้วขออาราธนาพระคุณเจ้านะต่อไปได้โปรดสอนธรรมะอย่างนี้กับครวะบ้างเถอะพระสารีบุตรท่านก็รับปากนะ เนที่หลวงพ่อเอาธรรมะนี้มาสอนพวกเราเนี่ยสืบทอดปณิธานของพระสารีบุตรนะท่านทํามาอย่างนี้ก็สอนให้ไม่ใช่อย่างที่ครูบาอาจารย์บอกอย่าไปสอนมันเลยโยมอะ่ะสอนมันก็ไม่รู้เรื่องปรากฏว่าหลวงพ่อสอนเนี่ยโยมรู้เรื่องเยอะเลยแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดละนี่เห็นเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งโลกโกรธหลงมันก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่ละส่วนนั้นมีแต่ความไม่เที่ยง แต่ละส่วนมีแต่ความเป็นทุกข์แต่ละส่วนมีแต่เรื่องว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนะนี่คยค่อยๆฝึกนะอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญางั้นถ้าเราไม่รู้จักแยกรูปแยกนามเลยเนี่ยเราเจริญปัญญายากนะบารมีเราไม่ได้มากขนาดนางวิสาขาขนาดอนาทบินทิกะอะไรพวกนั้นเขาฟังธรรมจากพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องรูปนามหรอกนะเขาก็ได้โสดาก็เพราะอย่างนั้นแหละถึงได้เป็นโสดาตลอดชีวิตนะถ้าเราได้ยินเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ย ถ้าเราได้บารมีมากพอนะอาจจะได้เกินโสดาก็ได้แต่โสไสยโสดาเ็าจะไม่ได้นะบางคนนะถ้าไม่มีศีล5้านะถ้าไม่มีศีล5้าโสดาก็ไม่ได้จาไว้นะต้องมีเพราะั้นทุกวันต้องตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนยังไงก็อย่าให้ผิดศีลตื่นนอนมาก็ตั้งใจรักษาศีลห้าวันนี้เราจะรักษาศีล5้านะเอาศีล5ข้อนี้แหละรักษาให้ได้นะฝึกทุกวันทุกวัน ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกวันหนึ่งเอาให้ได้สักห้ารอบแล้วเวลาจะทําผิดศีลมันจะได้อายตัวเองแม้ปฏิ ญ, ญาณกับตัวเองทุกวันเลยวันหนึ่งตั้งหลายรอบว่าจะไม่ทําผิดศีลสุดท้ายก็จะทําผิดอีกแล้วเนี่ยใจมันจะอายนะจะไม่กล้าทําถ้าเมื่อไหรมันมีฮิริโอ ต, ตปากเกิดแล้วละอายใจต่อการทําชั่วเกรงกลัวผลของการทําชั่วมันจะไม่ผิดศีลหรอก นะเพราะนั้นเราตั้งใจกับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วถัดจากนั้นก็แบ่งเวลาไว้ทุกวันต้องทำในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปสบายๆนะหายใจไปอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่ก็ได้ก่อนจะหายใจก็ยิ้มหวานสัก่อนนะไหวพระให้เสร็จแล้วก็ยิ้มหวานหวานยิ้มอย่างมีความสุขถ้ามันเครียดมากก็ถอนใจสักสองทีให้ใจมันสบายให้ใจมันผ่อนคลาย ใจมันผ่อนคลายแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูถ้าจะเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูต้องมีอันนึงทํางานนะอันหนึ่งเป็นคนดูการแยกขันห้าแยกรูปแยกนามเนี่ยไม่จําเป็นว่าเบื้องต้นต้องแยกทั้ง5ขันแยกได้สองก็พอแล้วอย่างน้อยต้องแยกได้2นะเช่นเห็นร่างกายอันหนึ่งจิตเป็นคนดูอันหนึ่งอย่างนี้ก็ใช้ได้ ถ้าไม่ถนัดแยกร่างกายเนะีแยกความรู้สึกก็ได้ความสุขความทุกข์เป็นอันหนึง่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกอันหนึง่งหรือไม่ถนัดตรงนี้จะดูจิตที่โกรธ จ, จิตที่ลอบจิตที่หลงนะเป็นอันหนึง่งจิตที่รู้เป็นอันหนึง่งเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่คือจิตเนี่ยเป็นคนดูฝึกกรรมฐานเนี่ยนะมีผู้แสดงกับมีผู้ดูจิตของเราเป็นผู้ดู ถ้าแยากได้สองอย่างนะมีผู้ดูอยู่หนึ่งนะในสองนั้นมีผู้ดูอยู่หนึ่งนะปฏิบัติต่อได้แต่ถ้าสองนั้นนะร่างกายอันนึงสุขทุกข์อันหนึ่ง work, um ไม่มีจิตที่เป็นผู้ดูอันนี้ปฏิบัติต่อไม่ได้ต้องมีจิตที่เป็นคนดูนั้นเราต้องมาฝึกจิตที่เป็นคนดูนะเป็นคนเราดูอะไรก็ต้องซ้อมเป็นคนดูร่างกายหายใจออกเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าถ้าไม่ถนัดดูร่างกายก็พาจิตมันดูความรู้สึกในใจ ความรู้สึกสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ความรู้สึกทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้โลภโกรดลงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆนะจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตโลภโกรดลงไม่ใช่จิตนะฝึกอย่างนี้นะร่างกายก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้ถ้าฝึกได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นร่างกายนั้นทํางานไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายนี้มีความจริงของร่างกายอยู่ก็คือมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา อย่างพวกเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยใครได้เก่าบ้างใครได้เก่าไปบ้างแล้วยกมือสิมีไหมมีไหมมีไหมใครยังไม่ได้เก่าเลยมีไหมเดี๋ยวหลวงพ่อแอบดูอยู่ตั้งแต่แรกนะรู้นะบางคนะเก่าแต่ไม่รู้ตัวเกาไม่รู้ตัวนะมีนะไม่ใช่ไม่มีใครเมื่อยบ้างใครเมื่อยเมื่อยทุกคนน่ะพวกนั่งเก้าอี้ก็เมื่อยนะไม่ใช่นั่งปืนเมื่อยข้างเดียวพวกนั่งเก้าอี้ก็เมื่อย ถ้าไม่เมื่อยไม่นั่งกระดุกกระดิกหรอกนะต้องนั่งเอีงอยงทางนี้ทีเอยียงทางนี้ทีเมื่อยสุดขีดนั่งต่อไปไม่ได้ละลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถที่จริงในร่างกายเราเนี่ยความจริงในร่างกายที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะคือความทุกข์ร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราเรีบเปลี่ยนอินริยาบถโดยอัตโนมัติมันเมื่อยเราก็ขยับตัวมันคันเราก็เกาเนี่ย แเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถใจญ่ก็เช่นนั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินอิริยาบถย่อยก็เช่นขยับไปขยับมานี่แก้มื่งนั้นร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาแล้วละ่ะแต่เราไม่เห็นที่ไม่เห็นก็เพราะพอมันปวดมันเมื่อยนะเราก็รีบขยับอิริยาบถก็เลยปิดบังความทุกข์ในร่างกายทําให้เราไม่เห็นความจริงในร่างกายนี้เพราอนเวลาที่เราทํากรรมฐานเนี่ย ถ้ามันมีความเจ็บความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายหรือความหิวความหนาวความร้อนความกระหายน้ำปวดเออปวดฉี่อะไรเนี่ยรู้สึกตัวซะหน่อยนะอย่างเช่นหิวน้ำกระหายน้ำานละรู้ว่ากระหายแล้วก็ไปกินน้ำได้ไม่ใช่ว่ากระหายแล้วต้องทนอดนะรู้ว่าหิวแล้วก็ไปกินข้าวไม่ใช่หิวยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าซัดข้าวไปหลายจานแล้ว เคยไหมบางคนอยากไดเอทนะอยากไดเอทพอหิวขึ้นมานะหมดไปสามจานแล้วเพิ่งนึกได้ว่าจะไดเอทนะเนะนี่ยเพราะเราไม่มีสตินะถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราเห็นมันมีแต่ความทุกข์นะจะนั่งอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไหมเวลานอนเวลานอนมีความทุกข์ไหมใครเวลานอนเนะี่ยไม่พลิกเลยทั้งคืนมีไหมก็พวกเป็นอมพาสไงนะ นอนเราพลิกไม่ได้มีสุขหรือมีทุกข <c oughs> มีทุกนะมีทุกมากเลยอย่างพวกเรานอนนะถึงแค่นอนหลับนะร่างกายมันทุกร่างกายมันก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันเปลี่ยนอิริยาบถมป็นอิริยาบถย่อยๆนะบางคนละเมอลุกขึ้นเดินนี่เปลี่ยนอิริยาบถใหญ่นะส่วนใหญ่ก็แค่ขยับไปขยับมาพลิกไปพลิกมาเพราะอะไรเพราะมันทุกที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นแต่ตอนนอนเนี้ยไม่ต้องไปฝึกนะหลับไปเถอะช่างมัน เอาตอนตื่นนี่แหละตอนตื่นนะั้นเวลาร่างกายมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันซะก่อนแล้วค่อยบำบัดทุกข์ทีหลังนะขอรู้ก่อนซะหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อก็รู้ว่าเมื่ อ, อแล้วเมื่อแล้วก็ขยับไปไม่ห้ามหรอกเนะนี่ยค่อยดูความจริงในร่างกายไปนะความจริงในร่างกายอีกข้อหนึ่งก็คือมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้เป็นวัตถุนะเป็นธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา เดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายนะเดี๋ยวก็กินน้ําเข้าไปก็กลายเป็นเหงื่อไหลออกไปกลายเป็นตัสสวะไปเป็นน้ําลายกระเด็นบางคนกินน้ําไปปี๊บหนึ่งกลายเป็นน้ําลายเสื้อครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยพวกพูดมากๆน้ําลายกระเด็นเสียไอ้น้ําไปเยอะเนี่ยธาตุมันหมุนตลอดเวลานะถ้าธาตุหมุนไม่ได้ตายเลยเช่นหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย กินแล้วไม่ขับถ่ายก็ตายขับถ่ายแล้วไม่ได้กินก็ตายเนี่ยนะมันตายง่ายนะธาตุเนี่ยแตกแตกสลายง่ายถ้าธาตุมันไม่หมุนเวียนเมื่อไหร่นะร่างกายนี้ก็แตกสลายถูกความร้อนจัดก็แตกถูกความหนาวจัดก็แตกนะหิวมากไปอิ่มมากไปก็ตายเหมือนกันนะตายได้เหมือนกันนะรู้จักชูชกไหชูชกชูชกนะกินมากไปตาย เนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในกายเราเห็นร่างกายมีความทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นด้วยปัญญานะน่าจริงจริงไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนท่าที่จิตนี้มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นร่างกายถูกต้องละถ้าเห็นจิตเห็นใจเนี่ยเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดร่างกายดูความไม่เที่ยงยากนะ อย่างเราดูดูมือตัวเองเนี้ยดูไงมันก็ยังเหมือนมือ อ, อย่างเก่าแต่ถ้าอย่างเราดูรูปมีรูปถ่ายไหมแต่ละคนเราดูรูปเมื่อปีกลายกับปีนี้รู้สึกไหมว่าไม่เหมือนกันปีนี้แก่กว่าปีกลายถ้าเป็นเด็กก็ปีนี้หนุ่มสาวมากกว่าปีกลายถ้าโตขึ้นมาแล้วปีนี้แก่กว่าปีกลายถ้าดูรูปแล้วถึงจะเปรียบเทียบกันอย่างนั้นถึงจะเห็นแต่จิตใจเนี่ยเปลี่ยนเร็ว เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะตั้งใจไว้อย่างหนึ่งบางทีก็พลิกไปอย่างหนึ่งนะบังคับไม่ได้เนี่ยร่างกายเนี่ยเราเห็นทุกขังนะอนัตตาง่ายจิตใจเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายอนิจจังคือมันไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายทั้งวันแหละนะอย่างนี้เราค่อยรู้ทันไปจิตใจมีความสุขก็รู้ ความสุขหายไปก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นะจิตใจเฉยๆก็รู้นะความเฉยหายไปกลายเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็รู้เอาเนี่ยหัดรู้อยู่ในใจของเรานะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปมันจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงื่อทีความรู้สึกโกรธก็เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวความรู้สึกโกรธก็หายไปทีความรู้สึกรักก็เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวความรู้สึกรักก็หายไป ใครมีลูกบ้างในห้องนี้ใครมีลูกยกมือให้หลวงพ่อดูสิรักลูกตลอดเวลาไหมความรักที่มีต่อลูกเที่ยงไหมสังเกตไหมเราไม่ได้รักลูกตลอดเวลาเรารักตอนนึกถึงเท่านั้นนะ่ะตอนนั่งฟังเทศลืมลูกเนี่ยไม่ได้รักลูกนะไม่มีลูกด้วยตอนนั้นเนีเพราะอะไรใจไม่ได้สนใจไม่ได้ยึดถือไม่ได้สาคัญมั่นหมายงนั้นความรักทั้งหลายนี่นะก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน มันรักขึ้นมาก็ตอนที่มันคิดเอาเท่านั้นแหละนะพอมันรู้สึกตัวขึ้นมานะหรือมวัวแต่ไปนสนใจสิ่งอื่นมันก็ลืมความโกรธก็ไม่เที่ยงใครเคยโกรธนานๆมีแม่โกรธสักปีหนึ่งเคยไหมนะมีแม่ปีหนึ่งสองปีบางคนโกรธหลายปีบอกโกรธร้อยปีอ่ะมาดีร้อยชาตนะิตอนเด็กๆ เ, เคยท่องไหม <c oughs> ห้านาทีก็หายโกรธแล้วเด็กๆะตีกันแฟบเดียวก็เล่นกันใหม่นะละแล้วความโกรธมันก็ พลิกไปพลิกมาเราคอยรู้ทันความรู้สึกของเราความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้บ่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะมาหรือมันจะไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงตรงที่ например, que, เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเราสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้อันนั้นเรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยเรียกเห็นความจริงของกายของใจนะการ รู้ความจริงของกายของใจนี่แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าการรู้ทุกเพราะสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าสรุปนะสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยตัวจริงของตัวทุกอ่ะสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนี้แหละคือตัวทุกขบางคนไปได้ยินว่าขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือทุกก็เลยไปแปลเพี้ยนเพี้ยนนะหลวงพ่อนี่แหละเคยแปลผิดคิดว่าถ้าเราไม่ยึดขันขันจะไม่ทุก คิดอย่างนี้นะถ้ายึดแล้วจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์ที่จริงสังขีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอุปาทานขันเนี่ยเป็นการจําแนกขันว่าขันชนิดไหนเป็นอุปาทานขันขันอย่างไรไม่ใช่อุปาทานขันขันที่เป็นอุปาทานขันเท่านั้นแหละอยู่ในกองทุกข์บรรดาขันทั้งหลายที่เรามีเนี่ยอยู่ในกองทุกข์ทั้งหมดเลยทุกตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่ว่าต้องรอให้ยึดก่อนแล้วจะทุกข์หรอกมันทุกข์โดยตัวของมันเอง ขันบางอย่างไม่ใช่อุปาทานขันนะอย่างมรรคจิตผลจิตเนี่ยไม่ใช่อุปาทานขันไม่ใช่ตัวทุกขเพราะงั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกก็ค <informal zy men> ือสอนให้รู้กายรู้ใจของเราเนี่เองสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละที่เรียกว่าอุปาทานขันให้รู้ไปมากๆนะจนวันหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ากายนี้คือตัวทุก์ใจนี้คือตัวทุกขตอนแรกเราจะเห็นนะว่ามันไม่ใช่เราหรอกนะอย่างร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราหรอก มันเป็นเป็นของที่ถูกความทุกข์บิบคั้นมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่เรานะจิตใจมันก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะเราสั่งมันไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยจะได้ธรรมะภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีรูปธรรมนามธรรมมีอยู่นะแต่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยพระโสดาบันจะรู้อย่างนี้แต่พอเราพอนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย จะเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งจะเห็นว่ารูปที่มีอยู่นี้คือตัวทุกนามทั้งหลายที่มีอยู่นี้คือตัวทุกถ้าเห็นว่ารูปนี้คือตัวทุกนะจิตจะหมดความยึดถือรูปถ้าเห็นว่านามทั้งหลายนามธรรมทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายหรือจิตใจทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวทุกขมันจะหมดความยึดถือในนามธรรมทั้งหลายพวกเราเห็นไหมว่าร่างกายเป็นตัวทุกขพวกเรายังไม่เห็นหรอกพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกบ้างสุขบ้างรู้สึกไหม เราเห็นได้แค่ว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเรายังไม่เห็นว่ามันกายนี้คือทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่และทุกข์ก็ดับไปนามธรรมทั้งหลายอย่างในจิตใจของเราเนี่ยพวกเรารู้สึกไหมจิตใจเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยใจเรายังเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะเราก็เรียกว่าเรายังไม่รู้ทุก ถ้ารู้ทุกจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนจิตนี่แหละคือตัวทุกถ้ารู้อย่างนี้ได้นะมันจะปล่อยวางได้ถ้ามันยังเป็นสุขบ้างทุกบ้างมันจะไม่ปล่อยแต่มันจะหนีทุกมันจะวิ่งไปหาความสุขทุกวันนี้ก็คือที่ชีวิตเราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี้ยก็วิ่งหนีหาหนีความทุกข์วิ่งไปหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเราไปดูหนังเนะี่ยเพื่ออะไรบางคนรุ่มใจไปดูหนังไปฟังเพลงใช่ไหมเพื่อจะหนีทุก หรือว่าไม่สบายใจอยู่อยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงอยากไปหาของอร่อยอร่อยกินอยากไปหาส า, สาวสาวสวยสวยดูให้เพลิดเพลิ น, เ พ, ล น, เ, พลนเพื่อจะหาความสุขทุกวันเนี้ยที่เรามีตัณหานะเรามีความดิ้นรนอยู่ใจเราหิวอยู่ตลอดเวลาเนียก็ดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ดิ้นรนที่จะหาความสุขนั่นเองแต่ถ้าเมื่ อ, อไรสติปัญญาแก่รอบเรารู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ ความดิ้นรนที่จะหนีทุกข์จะไม่เกิดขึ้นมันหนีไม่ได้เพราะมันคือตัวทุกข์เหมือนไฟยังไงก็ร้อนขันนี้ยังไงก็ทุกข์เหมือนกับที่ไฟยังไงก็ต้องร้อนไม่ต้องหนีหรือมันจะไปไม่ไม่ดิ้นรนหาความสุขนะเพราะมันรู้ว่ามันคือตัวทุกข์มันจะมีความสุขไปไม่ได้จริงหรอกนะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองไม่มีทุกขสุข ถ้าเราเมื่ อ, อไร่เราเห็นว่ากายนี้มีทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตมีทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่เห็นด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามกายใจนี้นะเพราะฉั้นการรู้ทุกข์เนี่ยทาให้มันไม่ยึดถือพอเมื่อมันไม่ยึดถือแล้วมันจะไม่เกิดความอยากขึ้นงั้นทันทีที่รู้ทุกข์นะสมุทัยคือความอยากจะถูกละโดยอัตโนมัติ นั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยอัตโนมัติเลยเมื่อไหรล่ละสมุทยัยเมื่อนั้นจะแจ้งนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัญหานิพพานคือสภาวะที่สิ้นทุกข์นั่นเองรูปนามนี้คือตัวทุกข์จิตปล่อยวางรูปนามไปแล้วจิตก็พ้นจากตัวทุกข์ไปนะจิตจะพ้นจากตัวทุกข์เข้าสู่ตัวธรรมแท้ๆเลยนะสัมผัสธรรมะแท้ๆคือพระนิพพานมีความสูงขันมหาศาล งั้เมื่อไร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นจะละความอยากเมื่อไหรละความอยากเมื่อนั้นใจจะสัมผัสพระนิพพานจะแจ้งพระนิพพานในขณะที่รู้ทุกข์ละสมูไทไถ่แจ้งนิโรธในขณะนั้นแหละอริยมรรคได้เกิดขึ้นเงั้นการรู้ทุกข์ละสมูไทไถ่แจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนะจะเกิดในขณะจิตเดียวกันแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยังไม่ใช่ตัวอริยมรรค สีสมาธิปัญญาที่เราพยายามฝึกตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าบุพพาคมักบุพพภาคบุพพาคมักเป็นเบื้องต้นทําให้เกิดอริยมรรคเท่านั้นเองนะเมื่อเราสามารถพัฒนาศีสมาธิปัญญาโดยเฉพาะตัวปัญญานะสีเป็นพื้นฐานทําให้มีสมาธิสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมาดูกายทางานมาดูใจทํางานเห็นความจริงของกายของใจแล้วมีปัญญาจิตก็จะหมดความยึดถือนะ ก็จะปล่อยวางได้อริยมรรคจะเกิดมันจะเกิดเองไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตจะบรรลุมรรคผลของจิตเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่แก่รอบแล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปหวังได้มรรคผลอะไรหรอกนะตั้งอกตั้งใจพัฒนาไม่เคยถือศีลก็รักษาศีลให้ได้ที่มีศีลแล้วก็อย่าให้ด่างพร้อย ไม่เคยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าหลงโลกอย่าหลงอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปนะไอเฟสไลน์เลยอะไรเนี่ยอย่าเล่นเยอะนะเล่นเท่าที่จําเป็นเล่นเพื่อทํามาหากินอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าเล่นเลื่อยเปื่อยทั้งวันเนี่ยอย่าไปหวังเลยมรรคผลนะตัวร้ายเลยนะ ต, นยนะตัวมารเลยนะเนี่ยเทคโนโลยีก็เป็นมาร น, นะเราตกเป็นทาสมัน ฝึกไปเรื่อยนะเราก็แยกรูปแยกนามดูกายดูใจเจริญปัญญาไปถึงวันหนึ่งปัญญาแก่รอบแนละอริยมรรคจะเกิดเองเกิดแล้วเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระอริยสงฆ์มีจริงทําไมถึงนไปจริงจิตของเราเป็นปุถุชนเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นจิตแบบพระอริยบุคคลแล้วจิตพระอริยบุคคลเนี่ยมีธรรมะอยู่ในใจสมบูรณ์เต็มเปี่ยมเป็นลําดับไปนะ โสดาก็ได้ระดับนิดสกคาคานาคาอย่างพระอาหารหันเนี่ยแค่มนัสิการถึงนิพพานจีก็เห็นนิพพานเลยนี่ผ่านไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะจำไวนะ้นะนิพพานไม่ใช่อัตตาตัวตนนะพระเจ้าไม่ได้สอนพวกเราเป็นชาวพุทธพวกเราต้องรู้จักนะว่าพุทธเจ้าสอนอะไรทุกวันนี้พวกเดียรถีนะพวกเดียรถีคือพวกศาสนาอื่นลทัทธิอื่นเนี่ยได้แฝงตัวเข้ามาในพระพุทธศาสนาเรา ถ้าเราเห็นห่มเหลืองๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะสอนธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนะกระทั่งหลวงพ่อสอนพวกเราก็อย่าเชื่อนะถ้าเมื่ อ, อไหร่เห็นว่าหลวงพ่อสอนขัดกับพระพุทธเจ้าต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะอย่าเชื่อครูบาอาจารย์พวกเรานี่บ้าครูบาอาจารย์มากไปเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเหลวไหลของชาวพุทธยุคนี้เลยเพราะเราต้องเรียนต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร เมื่อเรารู้หลักเบื้องต้นนะที่พระเทพเจ้าสอนโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจเนี่ยควรจะรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คืออะไรคือรูปนามกายใจคือทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้อย่างที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมุ ท, ทยัยคือตัณหาหน้าที่ต่อตัณหาคือการละสิ่งที่เรียกว่านิโรธหรือนิ พ, พานนะก็คือตัวนิ พ, พานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาหน้าที่ต่อนิโรธคือการเข้าไปเห็นนะไปรู้ไปเห็นไปประจักษ์ หน้าที่ต่อมัศมั ก, ก็คือมัศมีองค์8ในะย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาหน้าที่ก็คือทำให้เจริญขึ้นนี่เราต้องรู้หลักอย่างนี้ถ้าเมื่อไรพลาดจากหลักนี้แล้วใช้ไม่ได้อย่างเราจะมาทำบุญหวังว่าจะเฮงเงนี่ไม่ใช่เรื่องอริยสัจแล้วทำบุญแล้วเฮงะนะไปมุดลงศพแก้ซวยมอมุมดแล้วโชคดีนี่ไม่ใช่ชาวพุทธนะ แต่ถ้ามุดแล้วสบายใจหลวงพ่อก็ไม่ว่าหรอกบางคนอินเสียยังอ่อนก็ต้องหลอกๆ ก, กันไปอย่างนั้นก่อนแต่ถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธได้ยินธรรมะแท้ๆ แ, แล้วขนาดนี้ยังงมงายอีกก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรนะจะช่วยยังไงได้อย่างบางคนนะเห็นหมาออกลูกมามีสองหัวก็ไหว้แล้วไหว้นะเอาทองไปปิดปิดหมานะดูนับถือกระทั่งลูกหมาพิการนะจริงจกสองหางอยากได้ไหม กโทษชี้จกมันทําหางขาดบ่อยๆเราไปเก็บมาสิเนาะเก็บเอาให้ได้ไปต่อหางอีกตัวหนึ่งทาเกาวไว้ชาพุทธไม่งมงายนะชาพุทธไม่เชื่อโชคลางเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําของเราเองนะต้องเชื่อตัวนี้นะแล้วก็พัฒนาตัวเองเราต้องเชื่อในศักยภาพของเราคนสมัยพุทธกาลเขาบรรลุมากผลได้ทําไมเราจะบรรลุไม่ได้มันก็คนเหมือนกัน เพียงแต่ว่าเขามีศีลเราก็มีอยู่างเขาสิเขามีสมาธิฝึกจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวเราก็มีอย่างเขาสิเขาเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นรูปนามแสดงใจรักเราก็แยกอย่างเขาสิแล้วเราก็จะเจริญอย่างเขาได้นะธรรมะไม่เคยหายไปไหนหรอกนะแต่ใจของคนไม่มีคุณภาพมันทรงจําธรรมะไว้ไม่ได้เพี้ยนไปหมดอนะ่ะงั้นวันนี้ได้ฟังธรรมะแล้วนะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อหลวงพ่อนะแต่ปฏิบัติเพื่อตัวเองเคยทุกข์มากจะต้องทุกข์น้อยให้ได้เคยทุกข์นานต้องทุกข์สั้นลงให้ได้แล้ววันหนึ่งจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ิใจเราจะเกิดความรักในพระพุทธเจ้าอย่างแน่นแฟนเลยเราจะรักในพระธรรมวินยัยอย่างแน่นแฟนเลยใครมาพูดอะไรผิดทำผิดวิดดนัยเนี่ยใจเราไม่ยอมรับหรอกเป็นไปไม่ได้เลยนะเราก็จะไม่งมงายไม่โดนเขาหลอก ชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาก็ถูกคนหลอกคนที่หลอกเราเก่งก็คือพระนี่แหละหลอกเรานะหลอกอย่างนู้นหลอกนี้หลอกให้แทงปุนะ๋ยใครยังเล่นปวยอยู่สารภาพมาซิยกมือสิมีไหมเออบอกมาอย่าอย่ามุสานะลดลดลงบ้างเราสำรวจดูไอ้ที่ถูกกินกันได้กินนะอันไหนมันจะเยอะกว่ากันถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่จะรู้ว่าต้องถูกกินเยอะกว่าละป๊อปมันต่ากว่ากัน ลดลด้ลงบ้างนะใครยังกินเหล้าอยู่ยกมือให้หลวงพ่อดูซิมีไหมใครยางกินเหล้าอยู่ยกไปเลยไม่ต้องอายเออเรารู้นะเรารู้เลิกได้ก็เลิกนะค่อยๆลดไปค่อยๆลดแล้วชีวิตจะดีขึ้นใครยังพูดเฟิรเจอร์บ้างยกมือสิหลวงพ่อว่าทั้งห้องแหละ <laughs> <laughs> พูดเฟิร์เจอร์หมายถึงว่าไม่จำเป็นจะพูดก็พูดนะ อ, อก็เลิกซะนะเลิกซะ ใครยังเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนคนอื่นอยู่มีไหมมีไหมเลิกได้ก็เลิกซะนะค่อยๆเลิกเลิกไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเพื่อตัวเราเองชีวิตจิตใจเราจะสะอาดหมดจดนะต่อไปเวลาเราอายุมากขึ้นเราแก่เราเจ็บใกล้จะตายเนี่ยเราย้อนนึกถึงโอ้โหเราได้รักษาศีลอย่างงดงามมาตั้งสามเดือนแล้วแค่นึกแค่นี้นะใจมีความสุขอันมหาศาลเกิดขึ้นแล้วไม่ไปอบายแล้ว นั่นต้องตั้งอกตั้งใจรักษาศีลดูสักช่วงหนึ่งทุกวันแบ่งเวลานะปฏิบัติกรรมฐานหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอะไรก็ได้นะหรือพุโทโธพุโทโธแล้วรู้สึกตัวไปนะรู้ไปด้วยใจที่สบายๆไปแล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูใจก็ดูใจไปฝึก่งนี้แหละปีหน้าถ้าเกิดหลวงพ่อมาทางนี้เราก็จะส่งกันบ้านได้อย่างเต็มภาคภูมิ ดิฉันได้บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็จะตอบไม่จริงหรอกอะไรเงี้ย น, <c oughs> นึกเอาเองน ะ, นะกิเลสตัวนี้ยังอยู่ไหมอย่างงี้ยน ะ, นะดูอย่างนี้นะถ้าคิดว่าบรรลุแล้วให้ดูที่กิเลสนะดูกิเลสพระอริยบุคคลแต่ละชั้นนะละกิเลสต่างๆกันถ้ากิเลสตัวนี้ยังอยู่นะปลุบปโผล่โลเนี่ยไม่ใช่หรอกนะ บอกไว้ก่อนนะใครจะบรรลุก็บอกไว้ก่อนอาส่งกันบ้านการนมันสการหลวงพ่อนะคะวันนี้ได้เป็นปื้มฮะที่เจหน้าหลวงพ่อมากกว่าได้มาฝึกปฏิบัติในการทํางานทํางานกับลูกน้องก็เห็นกายกับจิตน ะ, ะที่แยกแยะเวลาเรา สั่งงานไปหรือว่าเราทำอะไรไปหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นว่าตัวเราเป็นทุกข์นะเราก็ตามดูทันตามแยกจิตทันแต่ว่าก็ายังแพ้อารมณ์จิตของตัวเองอยู่แพ้บ้างเขาไม่เป็นไรวันนี้แพ้วันหน้าไม่แพ้ก็รับกันอยู่ๆจะให้เราชนะกิเลส ท, ทั้งหมดนะั้นมันเป็นไปไม่ได้นะกิเลสมันคลองโลกมานานแล้ว เราได้รู้เท่าทันมันเป็นลําดับลําดับไปนะเราเป็นดีสละมากขึ้นมากขึ้นก็ดีแล้วล่ะสู้เอายากจังเลยอ่ะหลวงพอ่อนะยากค่ะเหีอหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติปฏิบัติจะยากอะไรจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่เห็นยากเลยแต่ถ้าบอกว่าจิตมีโทสะให้ละเสียอย่างนี้ยากนะ การปฏิบัติทีจีคือการรู้อย่างที่รูปนามมันเป็นไม่ยากหรอกจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี้ยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะยากตรงที่ว่าเราสุขก็สุขแป๊บเดียวแต่เวลาฟุ้งเนี่ยบางทีเราหลงตัวเองหาไม่หาไม่เจ อ, เ ร, อเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่น ะ, ะ, ะเวลาหลงจะได้ไม่หลงยาว ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยไม่อยู่กับอิริยาบถเนี่ยเวลาหลงไม่จะหลงนานทนะ่าในเลยให้มีเครื่องอยู่เพื่อว่าจะได้ไม่หลงยาวก็ต้องต้องขอการมาชกงานหลวงพ่อนะคะว่าบางครั้งเราอยู่กับกายกับจิตของตัวเราเองมากบางทีเอ๊ะบุญบาปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็รู้ว่า แล้วตรงไหนเป็นบุญล่ะแล้วเราจะสร้างบุญบา ร, รมีบุญตรงนี้ได้ยังไงอีกล่ะบางทีก็งงกับตัวเองอะค่ะหลวงพ่อไปไม่ถูกอะค่ะงงรู้ว่างงตรงที่รู้ว่างงเนี่ยเป็นการเจริญปัญญานะได้บุญใหญ่ยิ่งกว่าใส่บาตรอีกกำลังงงรู้ว่างง ก, กำลังโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยบุญมากกว่าไปใส่บาตรอีกนะเ <c oughs> ม, มื่อไรมีสติเมื่อนั้นแหละจิตเป็นกุศล เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นแหละไม่ใช่กุศลแล้วดูแค่ง่ายง่ายงนรู้เนี้รู้ตัวไปแล้วหนูต้องทำยังไงต่อฮะตั้งหลุตั้งมั่นนะคะยากมากหลวงพ่อคะอย่าไปบังคับให้มันตั้งก็แล้วกันนะอย่างขนาะนี้บังคับแรงไปรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดารู้ได้ใจที่ผ่อนคลายรู้แล้วก็เผลอเผลอแล้วก็รู้ดีกว่าไม่ให้เผลอเลย เราใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันนไม่เผลอเลยอันนั้นไม่ดีหรอกนะมันโงใจตั้งมากไปมันเครียดภาวนาต้องไม่เครียดน ะ, ะจำหลักตัวนี้ให้ดีถ้าเครียดแล้วทำผิดทำด้วยความโลภมันจะเครียดปล่อย <นะ S 2> ใช่ไหมฮะหลวงพ่อต้องปล่อยวางให้ได้ใช่ไหมะไม่ใช่ปล่อยวางเป็นหน้าที่ของปัญญาเรามีหน้าที่รู้กายอย่าที่กายเป็นรู้ใจอย่าที่ใจเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซง หน้าที่เราจบลงแค่นั้นที่เหลือจิตเขาเป็นไปเองเขาปล่อยเองไม่มีใครสั่งให้ปล่อยได้ขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อรู้สึกขอบพระคุณในความที่ได้เห็นหลวงพ่อในแบบในในชีวิตนี้นะคะที่ได้เห็นได้แยกแยะได้อะไรได้ถึงแม้จะไม่ได้1้อเอร์ซแต่ก็ยังมีเทที่ยึดมั่นถือมั่นได้นะฮะอย่างน้อยอเร า, าแยกรูปนามได้แล้วล่ะ เมืนะ่อรูปนามมันแยกได้เราดูรูปทํางานดูนามทางานด้วยใจที่เป็นกลางเท่านั้นเองถ้าใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางก็แค่นั้นเองที่เหลือจิตเท่าเป็นตัวเองค่ะ ข, ขอบพระคุณมากนะคะหลวงพ่อคะครับน้มาสการหลวงพ่อคะ่ะวันก่อนไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่หาใหญ่อะคะ่ะอืครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ดีขึ้นแล้วล่ะดูออกเปล่าดูออกค่ะเออ ดูออกแล้วจะสงสัยอะไรเอ่อจะขอกันบ้านนะคะเพราะว่าเดือนรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกค่ะเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมันมาแล้วมันก็ไปสั่งมันไม่ได้ค่ะก็ดูไปอย่างนี้แหละดูจนมันพอค่ะตอนนี้มันยังไม่พอมันยังลุ้นอยู่ค่ะดเดือนมีนาจะไปภาวนาที่วัดนะคะ<ม>จะขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะ เดินมีนาเดินมีนะค่ะนี่ยเราก็ทําตั้งแต่วันนี้แหล ะ, ะรู้สึกกายรู้สึกใจไปศีลก็รักษาไว้ทุกวันทําในรูปแบบเวลาที่เหลือมีสติอยู่นะสุขทุกดีชั่วอะไรเกิดรู้ทันร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนรู้ทันรู้อะไรได้ก็เอารู้กายได้ก็รู้รู้ใจได้ก็รู้นะก็ะะะทุกวันนี้ยังอยู่ในร่องในรอยใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่อยู่สิไม่อยู่ได้ยังไง ตั้งใจไว้ว่าจะถวายการปฏิบัติบูบชาหลวงพ่อแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าถวายหลวง พ, อ พ, พ่อที่ผ่านมาแล้วก็ในวันข้างหน้าค่ะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถวาย<ช>าพระพุทธเจ้าหลวงพอ่อชอบมากเลยคำว่าที่สุดแห่งทุกขนะ์เนี่ยชอบชอบกลับต่อก็คุณหลวงพ่อค่ะอ้า เราชาวพุทธนะเรามุ่งไปสู่ที่สู่แห่งทุกข์นั่นแหละครับนมัตพานครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีครับคราวที่แล้วเนี่ยไปส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าผมเนี่ยชอบส่งจิตถล่มลงไปดูในกายครับก็ดูออกไหมล่ะดูออกครับเออถ้าดูออกก็หายแล้วก็เดิมเนี่ยใช้ยุบหนอ่อพองหน่อครับแล้วช่วงหลังเนี่ยพอแน่นๆไปเนี่ยก็เลยมาใชา้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแทนนะครับแล้วก็มันก็ดีขึ้นนะครับ คือที่จริงแล้วมันไม่ใช่ยุบเนอพองหนาะผิดนะเข้าใจครับไอ้ที่ผิดคือจิตของเราถลําลงไปดูครับนะถ้าจิตเราอยู่ต่างหากเมืม่อเห็นร่างกายพองร่างกายยุบมันก็ไม่ผิดหรอกมันก็เหมือนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าครับ <Yeah. S 2> นะดูไปร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรา <Okay. S 2> ดูไปเรื่อยๆแล้วความสุขความทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านอะไรเกิดนะก็รู้เอาไม่ใช่หายใจเพื่อสงบด้วยไม่ใช่หายใจเพื่อสุขด้วยไม่ใช่หายใจเพื่อดีด้วย อพอจิตรวมถึงจุดหนึ่งนะครับหลวงพ่อพอรู้สึกมันก็เห็นนะครับว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เรามันแยกไปเป็นแต่ว่าตอนนั้นน่ันกายมันว่างๆแล้วมันไปต่อไม่ถูกครับหลวงพ่อขอการบ้านตรงเนี้ยมันว่างๆก็รู้ไปนะว่างก็ไม่ใช่เราอีกเราไม่ภาวนาว่างถ้ามันว่างเองชั่วครั้งชั่วคราวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันว่างทั้งวันทั้งคืนนะให้มาดูกายไว้เลยให้มาคิดพิจารณาร่างกายร่างกายของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุ เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สวยไม่งามหาเรื่องคิดไปต้องคิดนำก่อนเออถ้าติดว่างนะแต่ถ้าไม่ได้ติดว่างอย่าไปคิดนำให้ดูเอาอย่าไปคิดเอาได้ครับขอบพระคุณมากครับคนภูเก็ตมารอบนี้ดีกว่าเก่าเยอะเลยปีกลายยังไม่ได้เท่านี้นะในภาพรวมทั้งห้องเนี้ยในภาพรวมแล้วดีขึ้นมากๆเลย ใช้ได้อน้ำมัสการหลวงพ่อค่ะโยมฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามตั้งแต่ประมาณประมาณสี่ปีเดี๋ยวนี้ฟุ้งซ่านน้อยลงไหมดีขึ้นนะโอเราอย่าปล่อยใจให้มันฟุ้ง่ะให้คอยรู้ทันใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้เอาใจสงบเราก็รู้เอาไม่ได้ฝึกเอาสงบด้วยนะะฝึกว่าฟุ้งก็รู้สงบก็รู้แล้วเห็นเลยมันจะสงบหรือมันจะฟุ้งเราสั่งมันไม่ได้ดูออกไหม นี่หละดูอย่างนี้เป็นกรรมฐานะทําไปเรื่อยๆดูอย่างนี้ก็ใช้ได้คแล้วโยมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่ายังติดขัดอะไรตรงไหนไหมเพราะว่าโยมจะนั่งสมาธิไม่ได้นั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้ดูกายดูจิตไปเรื่อยๆเอดูไปอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ดูสงบนะจะไม่ไม่เคยสงบสงบก็รู้ฟุ้งก็รู้หลพ่อถึงเริ่มได้ฟุ้งซ่านไงใช่ไหมตัวแรกที่หลวงพ่อถามโยมก็คือฟุ้งซ่านรู้ไหมเนี่ย เมื่อเราดูความฟุ้งส่้นไหมเราเห็นจิตมันฟุ้งได้เองพอรู้แล้วบางทีมันก็สงบลงฟุ้งน้อยลงเดี๋ยวก็ฟุ้งแรงเดี๋ยวก็ฟุ้งน้อยเนี่ยแสดงว่าไม่เที่ยงดูอย่างนี้เข้าไปเลยใช้ปัญญานำนะเราสมาธิเราไม่มีเราใช้ปัญญานำดูไปมีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งสั้นต่อไปนาัสกานเจ้าข่าหลวงพ่อ วันนี้ไม่ชีมาเหนื่อยค่ะเพราะไม่สบายไม่ชีป่วยไม่สบายสามเดือนที่แล้วไม่ชีขึ้นไปส่งการบ้านหลวงพ่อที่ชนหลวงพ่อบอกว่าเวลาสอนธรรมะคนอื่นระวังจะติดสุกแล้วก็เพราะว่าอะไรนะ่นหลวงพ่อฟังไม่ออกหลวงพ่อบอกว่าเวลาสอนธรรมะคนอื่นระวังจะติดสุกเมื่อครั้งสามเดือนที่แล้วที่ไม่ชีขึ้นไปส่งการบ้านเจ้าค่ะ <c oughs> แต่พอมาวันนี้ไม่ชีพป่วยไม่ไม่สบายมากคือเป็นกรดกรดไหล ย, ย้อนแล้วมันทำให้เราหายใจไม่ได้พอลุกขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองอ่ะล้มลงไปล้มลงไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสติแต่ว่าล้มลงไปด้วยความที่ว่าเราเจ็บเราไม่มีแรงแล้วก็พอพอล้มลงนอนเราก็จะเห็นจิตว่าเราอ่ะกลัวตายพระกลัวตายแป๊บหนึง มันก็มารู้ลมหายใจแล้วก็พุโทโธด้วย์มุมัติเจ้าค่ะแล้วก็ในขณะที่นอนป่วยอยู่เนี้มีโยมมีโยมสามสามคนไปที่วัดพอดีว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่อยู่โยมเขาก็ไปปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะแล้วก็มีโยมคนหนึ่งปฏิบัติมายี่สิบยี่สิบปีแล้วเจ้าค่ะ เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้อะไรเลยบังเอิญว่าตอนที่แม่ชีนอนป่วยอยู่นี้แม่ชีเปิดซีดีของหลวงพ่อฟังอยู่ตลอดเขาก็เดินเข้าไปฟังเขาก็ถามว่าคนที่เทศอยู่ในซีดีนี้เป็นใครถึงแม่ชีก็บอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของแม่ชีเองแล้วเขาก็ถามพอเขาถามแล้วเขาก็ได้รู้ว่าสมาธิ กับวิปัสสนาเป็นยังไงแล้วม่ชีก็สอนเขาทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าตัวเองก็นอนป่วยอยู่แล้วเขาก็มีดวงตาเห็นธรรมเขาขอลองไห้ค่ะ<ม>พระอาจารย์เขอลองไห้เขา ก, เขาก็เขาก็ขอบคุณ<ม>ถึงแม่ชีก็เออมีความรู้สึกว่าเออดีใจนะขณะที่เราไม่สบายอยู่เราก็ยังทําคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นได้<ม>แต่ว่าก่อนหน้านั้นค่ะพระอาจารย์แม่ชีจะเห็นว่าจิตที่มันเป็นตัวทุกข์ ที่มันไหลออกมามันเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับว่าอะไรเล็กๆมันเปอนกับอะไรเล็กๆที่มันมันไหลขึ้นมาเป็นเป็นเหมือนเล็กๆๆที่มันไหลขึ้นมาพอมันไหลขึ้นมาแล้วมันก็แตกมันก็แตกแตกแล้วก็มันสว่างเจ้าค่ะแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวนะค่ะห้ใจออกรู้สึกตัวห้ใจเข้ารู้สึกตัวใช่ชเราไม่เอาความเฉลียวฉลาดอะไรทั้งสิ้นเจ้าค่ะนะ่งั้นเดี๋ยวปัญญามันล้าไป เจ้าค่ะเมื่ใช่ขณะที่เรานอนอยู่เราก็รู้สึกตัวตลอดเจ้าค่ะขณะที่นั่งฟังเมื่อกี้หัวใจมันหัวใจมันเล้วเวลาเวลาใจมันไหลไปในความคิดนะให้รู้ทันเจ้าค่ะะรู้ตัวนี้บ่อยๆเจ้าค่ะไปจำเอาเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะกรรมะทางการหลวงพ่อเจ้าค่ะ หนูเพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะ <Yeah. S 1> หนูไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าะะมาถูกทางแล้วล่ะแล้วไม่ทราบว่าจะก้าวหน้าหรือว่าเสื่อมลงะคะ่ะอย่าไปบังคับมันนะจ้ะเออค่ะอย่าใจเรามีปีติมีความปรับรื้มเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วมันก็ครอบงําเรานะกระทั่งปีติจะครอบใจเราได้เลยจ้ะอย่าไปปล่อยให้มันครอบนะ อารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะดีหรือชั่วอย่าให้มันครอบใจเราได้เนี่ยใจใจมันปลื้มไปเงี้ยรู้สึกไหมอ่ะรู้สึกเอย่าไปอย่าให้มันครอบไปงั้นเอามาหลุดออกมาให้ได้รู้สึกตัวะดูร่างกายมากๆนะดูลงไปผมขลเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคิดพิจารณาลงไปเลยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนะคิดอยู่ในกายนี่แหละพิจารณามากๆหน่อยเจ้าค่ะไม่งั้นมันขี้ปลื้ม ขอบคุณเจ้าค่ะอ่ะต่อไปซูปปเปอร์แมนนส ก, การหลวงพ่อครับมันส่งการบ้านครั้งแรกเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกครับก็ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติอยู่นะครับหลวงพ่อถูกแล้วละ่ะ ใ, ใช่ไหมใช้ได้เห็นแม่กใจกับใจกับมันแยกได้ครับ สุขทุกข์ดีชั่วมันแยกได้นะครับผมก็พยายามเห็นอยู่ทุกวันเห็นไหมมันมาเองไปเองครับนี่แหละภาวนาถูกแล้วครับขอบคุณครับศีลดีไหมก็บางครั้งก็หลุดบ้างครับเออตั้งใจรักษาไปเรื่อยๆนะครับหลุดแล้วก็แล้วไปตั้งใจเอาใหม่ครับนะครับขอบคุณครับหลวงพ่อไม่เหมือนปลานะศีนบางข้อเนี่ยถ้าขาดแล้วขาดเลย นวมศการครับออายุเท่าไหร่คนนี้สิบปีครับสิบปีแล้วนะะว่ามาไอ ห, หนุ่มเมื่อกี้ตอนที่ฟังหลวงปู่เทศใจลอยครับโอ้ใจลอยครับดีแล้วก็รู้ใจลอยนานมากเพิงพ่งเพิ่งรู้ว่าไม่ไม่นานเลยครับ อ, อนานไม่ดีนะ <c oughs> <c oughs> ใจลอยอย่าให้นาน รู้สึกบ่อยๆสนไห ม, มเป็นเด็กสนไหมอชอบดูการ์ตูนป่ะชอบกินชอบกินขนมไหมนี่เวลาเราอยากดูการ์ตูนนะเราก็รู้ทันใจที่อยาก ร, รู้ก่อนนะแล้วให้ดูทีหลังอยากกินขนมให้รู้ทันใจที่อยาก ร, รู้ก่อนแล้วกินทีหลังไม่ว่าจะทำอะไรนะ ใจเราอยากอะไรขึ้นมานะคอยรู้ทันมันเรื่อยๆครับนะถ้าฝึกทันจนกระทั่งเรารู้ทันใจที่อยากนี่ก็รู้อยากนี่ก็รู้นะเราจะพอน่าเก่งครับไปทำนะครับน่า ร, รักดีวันนี้กลับน้ำมัสการครับเพิ่งมาส่งกันบ้านครั้งแรกอือรู้ปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่า ในในในในในกายเนี่ยจะมีตัวซ้อนอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะเห็นจะเห็นตอนนอนจะเห็นว่าสังขารมันทำงานแล้วแล้วก็มันจะเห็นเป็นตัวอวิชามันจะดำ ม, มึดเลยแล้วก็อวิชามันจะมันจะฉีกมัญชีกกระดาษนะครับแล้วก็จะเห็นอีกอีกอี ก, อ, กอีกตัวหนึ่งคล้ายคล้ายกับเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อที่ ที่โดนไหมครับมีอีเยอะเจอมเจอมาเยอะครับเห็นเห็นเห็นอะไรเม่สาคัญนะเห็นอะไรก็ได้มันสารพัดจะเห็นนะแต่ถ้าเห็นแล้วเรายินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันเห็นแล้วพอใจรู้ทันนะเห็นแล้วสงสัยรู้ทันไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรนะให้รู้ทันจิตไว้เราจะไม่พลาดนะ เพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปรู้เราไปเห็นเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดเลยคือมันเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของที่มีสาระแก่นสารอะไรนะคืออย่างนี้นะแล้ว <c oughs> อย่งอยู่กะล่องกระลอยไหมครับอะไรนะ <c oughs> ยังอยู่กระล่องกระลอยไหมครับกระล่องลอยอยู่กระล่องกระลอยไหมครับยังยังยังนึงว่าใจล่องลอยเปล่าใจไม่ล่องลอยหรอก <c oughs> ปฏิบัติถูกทางถูกถูกแต่ระวังปัญญามันล้ําหน้าไปฉลาดไป พราว น, นาดูง oo ไปเลยนะเห็นไอ้นี่มาแล้วก็ไ ป, ไปมาแล้วก็ไ ป, ไปดูซื่อๆฉลาดไปหน่อยแต่มันมันมันจะเห็นบางทีมันบางทีมันแล้วแต่ว่าจิตมันจะไปรู้อะไรครับรู้บางทีก็ไปรู้กายรู้เวทนารู้รู้พวกเนี้ยครับเออนะดูไปดูซื่อๆนะฉลาดไปนิดนึง <laughs> <laughs> ความฉลาดมากนะมันจะมีปัญหาในการปฏิบัตินะ พราะมันจะรู้ล่วงหน้ามันจะรู้เดี๋ยวมาอย่างนี้เดี๋ยวก็จะไปอย่างนี้อะไรองนี้นจะรู้หมดนะเธารู้หมดนะมันจะไม่เห็นของจริงละระวังอย่าให้ปัญญาล้ํานะทําความสงบมาบ้างทําความสงบบ้างนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็อยู่ไปบ้างถ้าใจไม่มีสมาธิหนุนหลังนะปัญญาล้ําไปนะมันจะไม่เกิดปัญญาจริงมันจะฟุ้งในธรรมะ เพราะเราต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะให้ใจได้อยู่ในอารมณ์ที่สงบบ้างแล้วออกไปเดินปัญญาแล้ว ก, กลับมาอยู่ในอารมณ์ที่สงบบ้างสลับกันไปใจก็จะมีแรงที่จะเดินปัญญาได้จริ ง, รงๆไม่งั้นเดี๋ยวปัญญามันล้าต้องระวังไม่ทราบว่านั่งสมาธิไม่ไม่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าอะไรนะนั่งสมาธิผมจะชอบนั่งสมาธิแล้วก็แล้วก็จะนอนนอนสมาธินอนดูนอนดูร่างกายครับ ก็ดูสบายๆนะอย่าดูจริงจังมากไปดูดูเหมือนดูคนอื่นดูได้ใจที่เบิกบานเออต้องใจอย่างขนาดเนี้ยดูได้ใจสบายๆอย่างเงี้ยดูบางทีมันมันฝันมันจะเห็นมันจะมันจะไปเห็นในฝันเออเป็นนิมิตแล้วนะไม่เอากลับมารู้ทันใจยินดีให้รู้ทันใจยินร้ายให้รู้ทันกลับมารู้ทันใจ ทำความสงบให้เข้ามาได้จริงๆละนิมิตซะสมัครทีต้องต้องนั่งต้องนั่งทุกวันไหมครับทำได้ทุกวันยกิงๆแต่ว่าอย่าไปทำแบบบังคับนะทำแบบที่หลวงพ่อสอนนะทำสบายๆเห็นร่างกายหายใ จ, ใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูทำไปด้วยใจที่สบายแล้วมันสงบนะแล้วมันรู้ตัวมันไม่สงบแล้วก็ดิ่งลึกลืมตัวเองไป ถ้ามันดิ่งลืมตัวเองไปมันก็ไปนอนอยู่อย่างนั้นนานๆพะพุทนธนขอบคุณมาน้าแม่ชการคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อหนูนะคะรู้สึกตัวเห็นเห็นกิเลสบ้างแต่ว่าก็มีหลายครั้งที่แพ้มันเราก็ฟังซีดีมาหลายปีแต่จับหลักไม่ค่อยถูกแล้วก็ เครื่องอยู่ของจิตของหนูจริตแบบหนูนี่ต้องทำประมาณไหนคะหนูเป็นคนช่างคิดไหมล่ะเป็นคนช่างคิดไหมใช่ค่ะแล้วคนช่างคิดเราก็ดูจิตใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช้จิตนี่แหละเป็นเครื่องอยู่ใช้จิตเป็นวิหารธรรมดูจิตมันทำงานไปดูไปเรื่อยๆอะไรใช่ได้ใจมันฟุ้งเก่งเก่งค่ะ ถ้าใจมันฟุ้งมากนะก็วสวดมนต์ไปนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตั ว, ตวสัมมาสัมพุทธัสสะเลยสวดซ้ําไปเรื่อยๆสวดสบายๆนะฟุ้งสั้นเราก็รู้ว่าฟุง้งสงบก็รู้ว่าสงบเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันนะใจจะมีกําลังสมาธิมันจะดีขึ้นสมาธิก็จําเป็นนะฝึกได้ก็ดีใช่ค่ะมีแต่ว่าขาดกําลังของจิตใช่ขา ด, ขาดกําลัง นะมันเห็นอะไรต่ออะไรนะมันเห็นโหลดแต่มันไม่ค่อยมีแรงจ mm hmm. นะทำสมาธิเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่บังคับตัวเองน ะ, ะทำสมาธิให้ถูกสวดมนต์ไปก็ได้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สงบเองขอบคุณค่ะของหนูนะก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าสมาธิมันสั้นไปกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ หนูฟังซีดีหลวงพ่อกราบหลวงพ่อมาประมาณจะสิบปีแล้วอะค่ะแล้วก็ฟังนานจังเลยแล้วก็ไม่ดีเลยที่ว่าเพิ่งจะเข้าใจการภาวนาแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองประมาณหกเดือนนะคะอะไรนะเพิ่งจะเข้าใจการภาวนาเมื่อไม่นานนี้เองเจ<อ>้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็อเขแล้วก็อ่าพอเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่ายังยังขี้เกียจอะค่เจ้าค่ะล้วเก็นยยัง ข, ขีข้จอะคะเจ้าค่ะหลวงพ่อใจมัน มันอมันต้องเช้หลักที่หลวงพ่อบอกตอนแรกๆจำได้ไหมว่าพอเรารู้วิธีภาวนาแล้วก็ต้องขยันภาวนาเจ้าค่ะก็ตอนนี้ก็ขยันหน่อยสิแยกรูปน้ำได้แล้วยังดูออกไห ม, มจริงๆดูไม่ออกอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่คิดว่ามันแยกได้เจ้าค่ะหลวงพ่อรู้สึกไม่ใจเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกเจ้าค่ะนั่นแหละขันมันแยกได้แล้วล่ะ ก็มันแยกได้นะมันรู้สึกโลกห่างออกไปนะเจ้าค่ะโลกนี่เบาๆไม่ค่อยมากระทบใจเราใช่เจ้าค่ะเนี่กายก็อยู่ส่วนนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทํางานไปใจก็ทํางานไปเมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วก็ต้องดูบ่อยๆเจ้าค่ะต้องมีพินัยนั่นแหละนะแบ่งเวลาทําในรูปแบบทุกวันอย่างน้อยสิบห้านาทีถ้ามีพิไนัยในการปฏิบัติแล้วมันก็จะเข้าหน้าได้ ไม่ได้ให้ไปทำสมาธแบบว่าไปแต่ว่าทำทาในรูปแบบก็คือรู้สึกตัวก็จะหายใจไปรู้สึกตัวไปอะไรก็ได้นะมันไม่เข้าฌานหรอกไม่ต้องกลัวถ้าทางไม่เข้าฌานง่ายหรอกนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ที่ที่ที่มันที่หนูเข้าใจว่าหนูภาวนาไปแล้วนี่ก็ถือถูกแล้วใช่หมถูกแล้วล่ะถูกแล้วนะหนูเห็นแม่หนวงภาวนานิดหน่อยแค่เนี้นะ ชีวิตใจิตใจมันยังเปลี่ยนไลยเจ้าค่านะเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราจะรู้สึกเลยโอ้พระพุทธเจ้าอาศัศจรรย์จริงๆธรรมะของท่านอัศจรรย์จริงๆสามารถเปลี่ยนใจของเราได้นะจใจเราเคยมืดเคยบ่อนก็สว่างขึ้นมาใจเคยฟุ้งซ่านก็รู้จักมีความสุขของความสงบขึ้นมาเนะจ้าค่ะมันปล่อยอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นชีวิตมันก็เบาขึ้นเละดีไปทําอีกห้ามขี้เกียจ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยจ้าหลวมีปัญหาเดียวอะไรขี้เกียจค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกนะคะก็ปกติจะถนัดรู้ลู้กายมากกว่ารู้จิตนะคะทีนี้ก็ขอกลับเรียนถามหลวงพ่อเลยคือไปอยู่วันหนึ่งเนี้ยก็เดินออกกําลังกายในหมู่บ้านแล้วก็ทําความรู้สึกตัวไปด้วยทีนี้จะผ่านบ้านอยู่บ้านหนึงซึ่งจะเลี้ยงหมาอยู่แล้วก็ปกตินี่จะรู้ตัวก่อนไปละมันเห่า ทีนี้วันนั้นเนี่ยคิดว่าเขาไม่อยู่ก็เลยผ่านเข้าไปพอผ่านไปเนี่ยเขาห่อมาเสียงขลังแล้วก็จะหันกลับไปดูเนี่ยเหมือนเห็นภาพตัวเองซัลโมชันนะคะแล้วก็หันกลับตัวเองเนี่ยแหงกลับไปที่ถึงมาแต่ว่าจิตตัวเองนี้จะความตกใจจะแยกมาท่างหาสิ่งที่โยมเห็นเนี่ยเป็นจริงกับพระอาจารย์เป็นเรื่องของสมาธินะไม่ใช่มรรคผลหรอกนะอเป็นเรื่องของสมาธิเวลาจิตมีสมาธิขึ้นมาเนี่ย ความรับรู้มันจะเร็วแม้มันจะคล้ายๆเห็นผ่านเป็นช็อตๆเลยนะยเห็นการเคลื่อนเนีขยับขยับขยับขยับลูกศิษย์หลวงพ่อจํานวนมากเลยขับรถเร็วรถกวําเวลารถคว้างนี่นะร่างกายรถมันพลิกยังไงรู้หมดเลยนะร่างกายกระดิกแกเนี่ยรู้เลยเห็นเป็นช็อตๆเลยจิตไม่คนดูเด่นดวงอยู่เนี้ยอันนี้เป็นกําลังของสมาธินะจิตเป็นตั้งมั่นขึ้นมายังไม่ใช่ตัวมร์นะ แล้วการที่เราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับในขณะที่เราสองขณะในขณะที่กํมลังทํางานอยู่เนี่ยมันดูนตัวนี้ น, นะ ด, นดูผลที่เกิดขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วนะไหมมาถึงขนาดเนี้ยเราดูออกไหมมันมีเงาแห่งความรู้สึกเป็นตัวเรายังอยู่เราดูที่ผลของการปฏิบัตินะอย่างเวลาบารรลุมรรคผลแล้วพออริยามรรคเกิดจะไม่มีช่องว่างเลยจะต้องต่อด้วยอริยผลทันที อริยผลเกิดสองสามขณะแล้วเนี่ยจิตจะถอยออกมาสู่โลกข้างนอกนี้แล้วมันจะเกิดปัจเจกขณะยานปัจเจกขณะยานนี่มันจะไปดูว่ากิเลสอะไรร้าแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่อย่างของโยมเนี่ยดูออกไหมความรู้สึกเป็นเรามันยังมีอยู่เ<ช> <นะ S 2> พราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิไม่ขาดนะเพราะเราดูกันอย่างนี้นะดูที่กิเลสนี่แหละจะขอกระบ้านน้องพ่อค่ะอย่าเคร่งเครียดเกินไปวันน่ะให้มันมีความสุขวบบ น, นี้หน่อย กำหนดแรงไปถ้ากำหนดมากมเครียดกำหนดไปจะได้สมาธิอขอบพระคุณค่ะกล่าวนมสัสอการครับหลวงพว่อเมื่อก่อนผมนั่งดูลมหายใจแล้วก็ลมหายใจหายไปแล้วก็ความสุขหายไปร่างกายหายไปแล้วก็มัน ไปค้างอยู่ตรงที่ว่ารู้อย่างเดียวแต่ว่าไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วก็ไปไหนไม่ถูกก็เลยหยุดไปตอนนี้ก็มารู้กายรู้ใจเวลาทํางานอยู่ในชีวิตประจำวันก็ความทุกข์ก็ห่างห่างออกไปก็ตอนนี้อยากถามหลงวงพ่อเวลาที่จิตมันรวมไปนะร่างกายหายไปโลกนี้หายไปยังเหลือความรู้สึกตัวอยู่ไหมเหลืออยู่ครับโอ้ใช้ได้ จิตรวมอย่างนั้นนะจิตรวมเข้าสมาธิได้ละเอียดพอถอยออกมาจากสมาธิตรงนั้นรู้สึกไหมกายกับใจเนี่มันโค่นละอนกันแน่นอนเลยครับใช่ครับมันจะขาดจากกันไม่ไม่ติดกันละต่อไปเนี้ยมันจะเป็นโค่นละอนมันเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวมันไม่เหลืออย่างอื่นเลยเออเนี่ยเราจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราตัวรู้เนี่ยธรรมแงจะเห็นว่าตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเรา สังเกตอย่างนี้ดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดดวออกไหมเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เนี่ยตอนนี้เป็นตัวตัวคิดแล้วรู้สึกไหมครับครับรู้ครับดูอย่างนี้แหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะรักษาตัวรู้ให้เด่นดวงอยู่ทั้งวันนะกระทั่งตัวรู้เราก็ดูให้เห็นว่ามันเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เท่าเท่ากับร่างกายเท่าเ ท, ท่ากับความสุขทุกข์เท่าเ ท, ท่ากับความดีความชั่วอย่างตอนนี้เราไปบังคับจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหม เราไปดึงจิตรวบเข้ามาดูออกไหมอย่างนี้เป็นสมถะเราไม่ดึงนะถ้าดึงเข้ามารู้ว่าดึงเห็นไหมจิตมันทํางานจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้มันจากผู้รู้มันกลายเป็นผู้เพ่งนะมันกลายเป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงตัวผู้คิดก็ไม่เที่ยงตัวผู้เพ่งก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้บ่อยๆนะ ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาตัวรู้นะตอนนี้แค่มีตัวรู้เพื่อให้เห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันตอนนี้จะจะใช้จะใช้วิธีรู้กายกับรู้ใจตอนชินในชีวิตประจาวันมากกว่าครับอาจารย์ <S <S <c oughs> ก็ก็รู้แค่ว่าความทุกข์มันก็ห่างออกไปไม่ค่อยมีอะไรมากระทบใจเท่าไหร่ย่างซีเพราะว่าใจมันทรงสมาธิอยู่ทั้งวันน่ะนะอย่าไปรักษาตัวรู้ก็แล้วกัน ยังยังไม่ติดใช่ไหมครับอาจารย์ฮะยังไม่ติดใช่ไหมครับยังไม่อะไรนะยังไม่ติดใช่ไหมครับติดติดคือติดตัวรู้อะไรพวกนี้ออมันยังรักษาตัวรู้อยู่แล้วครับดูไปนะตัวรู้ก็ไม่คงที่ดูไปตอนนี้ตอนนี้ตัวรู้ดับไปเกิดตัวคิดครับใช่ครับเนี้ยดูอย่างเนี้ยให้เห็นเลยโอ้ตัวรู้ก็ไม่เที่ยงไหมตัวคิดก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็สั่งไม่ได้รักษาไม่ได้ตัวคิดก็คิดของมันได้เอง เนี่ยดูไตรลักษณ์อย่างนี้เรื่ๆนะแต่จิตผมตั้งมั่นแล้วใช่ไหมครับตั้งาาตั้งมากเลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์จิตที่มันเข้าสมาธิลึกถึงขนาดโลกธาตุดับนะร่างกายหายไปหมดเลยโลกนี้หายไปหมดเลยเหลือใจอันเดียวพอออกจากสมาธิตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันจะเห็นอย่างเด็ดขาดเลยว่ากายกับใจเนี่ยเป็นโคนล่ากันไม่ต้อง ทำอะไรอีกแล้วมันเห็นเลยแล้วไม่จะเห็นว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะรั้นแต่เกิดดับรั้นแต่ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็เหลือแต่ตัวจิตดวงเดียวที่ยังเป็นเราอยู่แล้วเราก็มาดูตัวจิตนี่แหละเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพง่งดูไปดูมามันก็ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าจิตไม่ใช่เราซะแล้วในโลกธาตุทั้งหมดนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราเหลืออยู่เลยเพราะโลกธาตุนี้ดับไปหมดแล้วด้วยซ้ําไปในความรู้สึกของเราโลกนี้ว่างเปล่า โลกนี้เหมือนฝันฝันไปเท่านั้นเองก็แต่ตัวที่จริงจังนะั้นเหลือแต่ตัวจิตแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่มีอะไรจริงจังเลยในของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะเมื่อเห็นโลกทั้งโลกนะแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือสักนิดเดียวที่จะเป็นตัวเราอีกไปดูอีกไปเพ่งมากไปขอบพระคุณครับเวลาทําสมาธิอย่าไปรวบเข้ามาอย่างนี้มากไปนะครับ<อ>ทํำสมที่รวบอย่างนี้ก็ยังดีไม่เป็นไรแต่ตอนออกจากสมาธิแล้วอย่าให้ติดความรู้สึกนิ่งๆออกมา ให้ใจมันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติถึงจะดีที่สุดเพราะเพื่อเราจะได้เห็นว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงนะจิตผู้เพ่งก็ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นจิตผู้เที่ยวแสวงหาละรู้สึกไหมเป็นจิตสแสวงหาได้อีกตัวงแสดงว่าผมมีวาสนาทั้งนี้ก็ให้กลับไปทําำสมถะต่อด้วยใช่ภาวนานได้ดีสมาธิดีนะ ครับขอบคุณครับในยุคนี้หาคนที่ภานาจนโลกธาตุดับมีไม่มากแล้วอ่ะหมดแล้วล่ะได้สิบสามคนครับขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาแสดงธรรมและตอบคำถาม<ๆ>เกี่ยวกับการปฏิบัติครับลําดับต่อไปพวกเราทุกคนจะร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่หลวงพ่อข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เครื่องปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และครอบครัวตับสิ้นการลนานเทินอยถ า, าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาีโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเปเมวาสมิจฉุกสเพปปุเรนตูสัสงกปาฉันโทปนรสโอยาถามณิโชติระโสยาถา สพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินั ส, สตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปจจายโนจัตตารโธรรมาวททันติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทีมงานที่จัดนะเวลาจัดให้หลวงพ่อเทนเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อย ก็ทำไปก็ไม่ได้เงินได้ทองอะไรหรอกนะเก็โมทนากับพวกเราด้วยในภาพรวมเนะยพวกเราพอนาดีขึ้นนะจิตใจพวกเราสว่างไสวผ่องใสขึ้นใช้ได้เจอกันคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะรีบไยักหน้าเลยอย่างกับโลกนี้มันบังคับได้อย่างที่ใจต้องการ <c oughs> ตั้งใจได้ แล้วก็ทำไปส่วนจะดีหรือไม่ดีนะช่างมันเราตั้งใจแล้วเราภาวนาพวกเราภาวนาได้ดีขึ้นเยอะเลยนะชาวภูเก็ตหรือพ่อมาเทศก่อนหน้านี้หลายปีเหมือนกันเริ่มต้นเลยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกมาถึงวันนี้คนซึ่งจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวเป็นเนะี่ยเยอะแยะเลยในห้องนี้คนที่แยกขันได้ก็เยอะแยะเลยเนะมื่อแยก กายแยกใจแยกรูปแยกนามได้แล้วก็ดูมันทำงานไปนี่คนหัดโยงหัดใหญ่อะไรนดีขึ้นเยอนะมาจากหลายจังหวัดนันะดูแลเดี๋ยวลวงพไปก่อนนะขอทุกท่านพนมมือกราบหลวงพ่อพร้อมๆกันนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับบาทและจีวร น, นะเดี๋ยวทีมงานช่วยถวายตาที่ท่านมาเนี้